ได้ปรับเบื้อต้นว่าที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเป็นเป็นโอกาสที่ได้มาเยี่ยมบ้านซึ่งเป็นของโยมโยมแม่แล้วก็ของน้องชาย ก็คือกำนันประยุทธ์มีเริศซึ่งเป็นกำนันตะ บ, บนสัะโจและได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านผู้อำนวการโรงเรียนคนใหม่ด็อเตอร์คณิ t า a พรายเพ็รดังที่ท่านผู้อำนวการได้เล่าให้ฟัง ท่านผู้ในการดรคำนิ t าท่านไปเป็นผู้ในการโรงเรียนวัดสมจุดที่อำเภอศรีประจันโรงเรียนวัดสจุดคือโรงเรียนที่ผู้พูดเนี่ยพระอาจาย์เคยเรียนอยู่สมัยเป็นเด็กเป็นเด็กเนี่ยโตอยู่ที่ศรีประจันที่โรงเรียนวัดสมจุด ในสมัยโน้นเรียนสูงสุดแค่ชั้นป .4 แล้วต่อมาขยายเป็นชั้นป .6 แล้วก็มีอาคารเรียนสมัยที่เรียนเนี่ยเรียนอยู่สาวัตรลาวัตรสมจุดท่านจเจ้าวาดพระสมจุดก็อยู่ที่นี่พระครูปัญญาเนี่ย เป็นโรงเรียนศาลาวัรไปเรียนอยู่ที่นั่นตอนเรียนป .1 พอป .2 เขาก็ให้ย้ายไปเรียนที่โรงลิเกไปเรียนที่โรงลิเกแล้วก็ได้คนครคนใหม่มาสอนที่โรงลิเก คือคุณครูวิเชียนอินธรรมะที่มาวันนี้ด้วยอายุเกือบแปสิบล่ะสอนปสองเรียนจบปสี่ที่โรงเรียนวัดสำจุดก็มีโอกาสไปไปช่วยวัดสำจุดบางครั้งบางคราวแต่เมื่อสักสามส่ปีมาเนี่ยท่านเจ้าวาด ท่านก็ส่งภาพโรงเรียนวัดสำจุนไปให้เป็นโรง เ, เป็นอาคารเรียนใหม่ไม่ใช่ที่เคยเรียนนะ เ, นเขาสร้างใหม่แล้วก็อาคารยาวนะเป็นอาคารไม้ยาวพอสมควรภาพที่ส่งไปให้เนี่ยโรงเรียนถูกไฟไหม้ไปครึ่งอาคารเรียน ย, ว ย, ยาวๆด้วยนะไฟมันไหม้มาครึ่งหนึ่ง แล้วเขาก็คงหางบประมาณในการซ่อมสร้างแทนที่มันไหม้มันเป็นห้องโสดห้องโสดทัสนุปก่อนไฟไหม้ไปเหลืออยู่ห้องเรียนครึ่งหนึ่งทีนี้วิธีส่งภาพเนี่ยภาพที่เขาส่งไปให้ดูเขาบอกว่าไฟมันไหม้บังครึ่งงนึ่นนะั้น พอมาถึงตรงกลางที่เป็นมุกอ่ะไฟดับไฟดับไม่ใช่มันดับเองนะรถ ด, ด, ดับเพลิงมาดับทันแล้วรถ ด, ดับเพลิงน่ะมันดับไฟดับไฟได้ครึ่งหนึ่งมันดับเอาตรงที่เป็นหน้ามุกและก็มีรูปของพระนี่นะแขวนอยู่มีรูปพระสมแขวนอยู่ แันใหญ่ไฟมันไหม่มาถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วควันมันก็ลงภาพดำไปครึ่งไปหน่อยนึงที่กรอบแล้วเขาก็บอกว่าไฟดับพระองค์นี้ไม่ไม่ไฟไม่ไหม้ภาพพระองค์นี้ดับไฟได้เขาก็ส่งภาพมาให้ดูแล้วใครพระองค์ไหนดับไฟกลายเป็นภาพตัวเองผู้พูดที่ไห เขาเอาไปตั้งไวในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนวระสำจุทำไปจะมาตายเป็นพระกันไฟนะมไฟไม่ไห ม, ไมเออเขาเบอกหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆดับไฟได้เพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อไปช่วยสร้างแทนไอ้ที่มันไหม้นะต้องรับผิดชอบเอในฐานะที่ป้องกันเพียงครึ่งเดียว ปล่อยหมมาเครื่องดื่มเป็นความรับผิดชอบของพะอระอดูสินะแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนละ่ะมาสร้างเพ น, นขอไปตามลำดับเหรอเข้าคิวกันเนี่ยเขตพื้นที่การศึกษาขอไปเถอะไม่ได้เพราะฉะนั้นพระต้องมาโปรดมาช่วย ให้สร้างแทนที่ครื่องหนึ่งที่ไฟไหม้ไปเขาก็เอาโครงการมามาให้พอเอโครงการมาก็บังเอิญว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสมัยนั้นเนี่ยคุ้นกันดีก็เลยบอกกับท่านเลขาธิการก็คือทอิเบรีนะช่วยจัดงบไป สร้างแทนที่ไฟไหม้ให้หน่อยขอพูดแค่นี้เองงบที่มันหาไม่ได้มันตกมาทันทีเลยนะสร้างเสร็จเลยตอนที่เริ่มสร้างเนี่ยท่านด็ตอร์คณิตฐาก็ไปเป็นผู้อำนวยการพอด e ีเลยนะไปดูแลให้สร้างเสร็จยัดนดะีเสร็จเรียบร้อยเขาก็ให้ย้ายมาที่นี่เนะไม่สร้างว่าที่นี่จะสร้างอะไรอีกเนี่ยนะ ดูเหมือนจะสร้างโดมสร้างอะไรนะนะั่นแหละนี่แล้วเขาก็ให้มาเยี่ยมนะดูท่าทางเจ้าปลเนี่ยนะเออท่านท่านคณะครูทั้งหลายเนี่ยก็พามาดูที่นี่ก็คือปาร่าจะช่วยกันพัฒนาช่วยกันสร้างแต่ถามว่าสร้างไปทำไมสร้างอาคาเรียนทำไมสร้างโดมทำไม ก็บอกว่าเพื่อให้นักเรียนทั้งหลายพวกเรานี่แหละได้ใช้ได้ใช้เรียนได้ใช้ทำกิจกรรมเหมือนกับเราต้องการพัฒนาโรงเรียนในร่างกายภาพเนี่ยให้มันสวยงามให้มันสะอาดให้มันใหญ่โตเราก็พัฒนากัน่างนี้แต่แต่นะก่อนจะพัฒนาตรงนี้เนี่ยต้องพัฒนาอะไรก่อน เราอยากจะได้โรงเรียนสวยๆตึกสวยๆได้ห้องทดลองได้ห้องแหลบภาษาอะไรก็ตามเนี่ยหัวใจมันอยู่ที่นักเรียนหัวใจมันอยู่ที่ครูคือคนถ้าเราสร้างอะไรใหญ่โตแต่ไม่มีคนใช้ไม่มีคนมาช่วยกันรักษา การสร้าง น, นั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้มีโรงเรียนดีๆอยู่ใกล้บ้านมีครูเก่งๆมีผู้อนวยการเก่งๆแต่ไม่มีนักเรียนที่ตั้งใจเรียนจะมีประโยชน์อะไรดังนั้นสหประชาชาติเขาเจนบอกว่าไม่ว่าเราจะพัฒนาอะไรก็ตาม จุดเริ่มของการพัฒนาเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ตึกไม่ใช่อยู่ที่อาคารเป็นจุดเริ่มแต่อยู่ที่คนพัฒนาคนก่อนเอาคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอาจารย์ผู้พูดเนี่ยนะไปประชุมที่สหประชาชาติที่สำนักงานใหญ่หที่กรุงนิวยอร์กเนี่ย ไปเทศที่นั่นก็เคยไปไปไประชุมของสหประชาชาติที่อียิปต์เมื่อ20ปีก่อนเรื่องการพัฒนาคนไปไประชุมกันทั่วโลกเนี่ยสาม0 0ื่นคนที่อียิปต์นะเขาไม่ไนิมนต์พระไปเลยแต่ว่าพอไปแล้วคุณได้รู้ว่าทำไมเขาจะนำมนุษ์นี้ไปเพราะพวกมุสลิมหัวรุนแรงเขาบอกว่า ใครไปประตูเขาจะยิงให้ตายให้หมดไม่น่าล่ะพระผู้ใหญ่ถึงไม่ไปกันเหลือเราตอนนั้นเมื่อ20ปีก่อนเนะยังเป็นพระหนุ่มๆเนยะโอ้ไม่รู้อีโดยเนี่ยพระผู้ใหญ่ไม่ไปเราไปอยากจะไปเชี่ยดูพิรนะมนะิดเนีพอไปแล้วนี่ตั้งแต่สนามบินเลยนะรถที่มารับก็มีตำรวจถือปืนมาดูแลเราตั้งแต่ในรถ ผ่านไปทุกเสาไฟฟ้ากว่ายถุงที่พักมีตำรวจอารักขาหมดคนประชุมสามมื่นใช้ตำรวจสี่มื่นและเวลาประชุมนะเขาให้ประชุมในสนามกีฬาอินดอร์สเตเดียมเป็นที่ทึบหมดเลยป้องกันอาพจีโอไม่ให้ยิงจรวดใส่ ประชุมกันสหประชาชาติจับนะแต่คนมุสลิมต่อต้านก็เลยคนทั่วโลกก็เลยลำบากแต่ไปน้อก็ไปพูดไปคุยกับคนที่เข้าประชุมทั่วโลกใช้ภาษาอะไรภาษาอังกฤษเขาไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช้ภาษาอื่นหรพูดภาษาอังกฤษกันครับไปเทศที่สหประชาชาติในสํนักงานใหญ่ ก็ใช้ภาษาเป็นกัเขาตอนนี้เป็นประธานจัดงานวิสาขาบูชาโลกพระพรห ม, มาดีนี่นะจัดงานวิสาขาบูชาโลกที่องค์การซาตเชาติกรุงเทพที่ถนนราชดำเนินเนี่ยจัดมา14ปีแล้วเขาให้เป็นประธานจัดและเป็นประธานองคอ์กรที่จัดเรียกว่าสาภาสากลวิสาขาบูชาโลก องค์การนี้เป็นองค์การที่ปรกษาของสหประชาชาติสามารถมีบัตรสหประชาชาตินะเนี่ยผู้พูดเนี่ยมีบัตรของพอเนี่ยเดินเข้าออกในสหประชาชาติได้ทบทั้งไปอีกเหมือนกับทํางานร่วมกับสหประชาชาติ ด, ด้วยเพราะว่าร่วม ง, งานกันมาตั้งแต่ไปอียิปต์ไปประชุมที่อียิปต์เนี่ย ที่เขาคู่ว่าอย่าไปเนี่ยนะประชุมกันเรื่องอะไรเรื่องมนุษย์กับการพัฒนาเขาบอกว่าเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยให้พัฒนาคนก่อนเขาใช้ส โ, โลแกนเป็นภาษาอังกฤษว่า man is a c e n t e r of development มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา พัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาทนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนจําไหมนะเราอยากจะพัฒนาบ้านของเราเราอยากจะพัฒนาโรงเรียนของเราจุดเริ่มอยู่ที่ไหน ใส่ความคิดในหัวนักเรียนก่อนใส่ความคิดในหัวของครูก่อนว่าจำเป็นต้องทำความสะอาดนะจำเป็นจะต้องดูแลห้องซ่วมให้ถูกสุ ข, ขลักษณะนะจาเป็นจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่นะใส่ความคิดก่อนไม่ใช่อยู่ๆนี่เอาถังขยะมาตั้ง ตั้งถังขยะไว้ทำอะไรถ้าคนมันไม่คิดจะทิ้งขยะให้เป็นที่เห็นไหมถังขยะเขาไม่มีประโยชน์ถ้านักเรียนไม่รักความสะอาดฉะนั้นสหประชาชาติเลยนะเขาบอกว่าอยากจะพัฒนาบ้านให้สะอาดต้องทำให้คนอยู่ในบ้านรักความสะอาด่ออยากจะพัฒนาโรงเรียน ให้มีมุมดนตรีที่ชนะเลิศต้องทํานักเรียนและคุณครูให้รักดนตรีอยากจะพัฒนาโรงเรียนให้เก่งในด้านกีฬานักเรียนและครูต้องชอบกีฬาอยากจะพัฒนานักเรียนให้เก่งวิทย์คณิตอังกฤษทำอย่าง ครู True. และนักเรียนต้องรักวิชานี้วิทย์คณิตอันตริยถ้าลองไม่รักถ้าใจไม่ชอบนะั้นยังไงยังไงมันก็สู้เขาไม่ได้ฉะนั้นเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนักเรียนอาจจะอยากพัฒนาครอบครัวพ่อแม่ ให้เลิกดื่มเหล้าให้เลิกเล่นการพ น, นันอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่กับเราไม่ต้องไปทำงานอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถามว่ามันเราจะไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันง่ายไหมไม่ง่ายเปลี่ยนความคิดของเราก่อนเคยดูภาพยนตร์ไหล่ะลูกๆไม่เปลี่ยนความคิดของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์มาเยอะแยะแล้ว พ่อคนหนึ่งติดสุราดื่มเหล้างงเกมเลยติดดื่มเหล้าเนี่ยเป็นพวกติดสุราแต่ลูกเรียนเก่งลูกสาวเนี่ยลูกสาวเรียนจนจบปริญญาได้ปริญญาพ่อก็ไปแสดงความยินดีในวันที่ลูกรับพระราชทานปริญญาบัตร พอไปถ่ายภาพรับปริญญาถ่ายภาพแสดงควินดีคุณพ่อปลื้มใจนะที่เห็นลูกสาวเรียนเก่งได้ปริญญาได้เกียรติยศคุณพ่อก็เลยบอกกับลูกสาวว่าลูกเอ๋ยอยากได้อะไรเป็นของขวัญล่ะเรียนจบได้ปริญญาได้เกียรติยศพ่อปลื้มใจแล้วเกินดีใจมาก อยากได้รถหรืออยากได้อะไรเพราะพ่อมีสตังค์จะซื้อให้เป็นของขวัญลูกสาวต่อทันคันพ่อหนูไม่อยากได้อะไรหรอกเป็นของขวัญจากพ่อขออย่างเดียวที่ให้พ่อให้เป็นของขวัญอะไรล่ะลูกบอบแม่เดี๋ยวพ่อจะหามาให้ลูกสาวก็บอกว่าพ่อ หนูขอให้พ่อเลิกดื่มเหล้าได้ไหมเป็นของขวัญให้หนูพ่ออึ้งเลยนะสะอึกเลยพราะแล้วคนก็มองกันทีว่ว่าพ่อจะให้ของขวัญแก่ลูกอย่างไรมองไปตาเดียวกันคนที่มาร่วมงนานพ่อก็บอกว่าลูกเอ้ยขอรถขอบ้านยังง่ายกว่านะลูก ขอให้เลิกดื่มเหล้านีมันเข้ากระดูกดำแล้วเนะลูกมันเลิกยากลูกสาวต่อไว้ยังไงพอ่อเรียนให้ได้ปริญญานี่มันง่ายเสมอเรยละ่ะเรียนให้มันได้เกียรติยศยิ่งยากใหญ่พ่อเนี่ยเขี่ยวเข็นหนูมาตั้งแต่เด็กนะให้เรียนประถมเรียนมัธยม แล้วไปเรียนอุดมศึกษาปริญญากว่าจะจบพ่อเนี่ยว่าให้หนูเลิกคบคนนั้นเลิกเที่ยวเรื่องไรหนูทำทุกอย่างเพื่อพ่อพ่อขออะไรหนูก็ทำตามจนหนูสอบได้ปริญญาแล้วตอนนี้พ่อจะทำเพื่อหนูบ้างไม่ได้หรือ่อบลูกสาวทรมอย่างนี้บ้าง พ่อต้องรับปากต่อหน้าแม่ต่อหน้าเพื่อนก็ได้ลูกพ่อจะทำเพื่อลูกและตั้งแต่นั้นมาพ่อเลิกดื่มเหล้าอายุยืนอยู่กับมาตั้งนานนี่จะเปลี่ยนคนอื่นบางทีมันก็เปลี่ยนที่เราก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไรแล้วเราเป็นเด็กอะนักเรียนะ่ะเราเปลี่ยน ให้ตัวเราเองเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนได้อย่างไรมันจะต้องมีความฝันแล้วฝันจะเป็นอะไรล่ะทุกคนมันจะต้องมีเป้าหมายชีวิตอยู่ที่วัสำโจนนเรียนประถมเหมือนพวกเรานี่แหละโรงเรียนก็ไม่ได้โก้่างนี้ด้วยนะแต่มีความฝันเป็นนักเรียนเนี่ยมีความฝันละฝันยังไงอะ ฝันว่าเราจะเรียนให้สูงขึ้นเพราะชอบอ่านหนังสือเป็นเด็กเงียบตอนเป็นเด็กมินิสัยชอบอ่านหนังสือมีหนังสืออยู่ในห้องสมุด ต, ตรงไหนก็ตามเวลาว่างๆก็ต้องไปหยิบมาอ่านสมัยรุ่มีหนังสือวิทยาศาสตร์อะไรก็ไม่รู้นะอยู่ในห้องของห้องสมุดว่างๆก็ไปนั่นอ่านและเขาก็มีสโลแกนนะ หนังสือเป็นเพื่อนแท้ของเราเลยฝึกนิสัยนะนักเรียนฝึกนิสัยว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฝึกมาตั้งแต่เด็กวางไม่ได้ต้องอ่านหนังสือมีหนังสืออะไรไม่อ่านไม่ไปอ่านหมดนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะ น, น, นั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก้ตามอ่านหมดตั้งแต่เด็กนะจนไม่มีให้อ่าน อ่านแล้วยังไม่ได้อ่านคนเดียวนะชอบเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังให้เพื่อนเพื่อนฟังเวลาอ่านเรื่องอะไรก็ตามชอบเอาไปเล่าต่อและอ่านอย่างเดียวมันไม่สนุกชอบฟังผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังไอความอยากรู้นี่แหละเป็นเด็กตัวกระเปี้ยงเนี่ยนะเรียนป .3 ป .4 นี่นะเป็นคนมีนิสัยใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็นอานอยาเดียวมันไม่พอใครเขาเล่าอะไรให้ฟังชอบสารเนไปฟังเขานะ่ยบางทีผู้ใหญ่เขาไม่ให้ฟังนะ่ยเราก็หูยาวไปฟังในช่วงนั้นเนี่ยตอนเรียนป .4 เนี่ยอาแท้เนี่ยน้องของพอ่อเขามาบวชพระอยู่วัดสำจุนมาบวชแล้วเขามาบวชอยู่ที่วัดสำจุนเนี่ย เขาต้องการญาติญาติที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยมายิ้วเป็นโตตามหลังปิธาบาทตอนบวดรักน่ตอนอาบวตเขาถามเด็กๆด้วยกันเนี่ยญาติญาติด้วยกันเนี่ยมีในคนไหนอยากจะไปเป็นลูกศิษย์พระที่วัดบ้างหาอาสาสมาัครยกมือหนะ่อยเป็นจิตอาสาตอนนักเรียนจะเรียนป .4 ล่ะเรียนป .4 <c oughs> บอกขอไปอยู่วัดอยากอยากเป็นลูกศิษย์วัด ไปอยู่กับอ า, าที่บวดพระเขาก็ให้ไปอยู่วัดวัดสำจุนแล้วในวัดสำจุนในพรรษาเนี่ยพระเขาบวชสามเดือนเนี่ยนะสมภารเจ้าอาวาสเนี่ยเขาจะสอนหนังสือพระใหม่วิชาพุทธประวัติวิชาธรรมมัธวิชากระทุ้อะไรก็นตางสอนพระใหม่มีแต่พระคนโตเนี่ยนะไปเรียนกันเราเดินไปเดินมานะเป็นทุกสิบวัด กลับจะรงเรียนใช่ไหมเรียนป .4 เนะี่แล้วก็มาที่กุติเห็นหลวงอาเนี่ยเขาไปนั่นเก้าอี้เรียนกับเจ้าวาดตอ น, นั้นประมาณสักสิบอง 16. ไปดูเขาอีกนะ่ะไอความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยไปดูเขาก็เขาทําอะไรกันไปนั่นแปะอยู่ติดกันขาเก้าอี่หลวงอานี่ ย, ลยแล้วก็แอบฟังก่อนเขาไม่ให้เด็กเรียนนี่เขาไม่มีเก้าอี้ให้แต่อยากรู้อยากเห็นก็ไป นั่นฟังฟังข้างสอแล้วชอบจังเลยเนาะเล่าเรื่องพุทธประวัติเรื่องประวัติพระเจา้าเสร็จแล้วเจ้า ว, ว่าท่านเห็นเออไอเด็กคนนี้มันมาเรียนเนี่ยเลยส่งหนังสือให้อ่านหลักโูนโต๊ะสี่ยังไม่พอนะส่งนวัตกว่าให้อ่านด้วยหลังโซนนักธรรมตรีที่หลวงอาเรียนให้มาอ่านเราก็ลองอ่านดู อ่านไปอ่านมามันจำได้เองนะสมองเด็กเนี่ยมันจำง่ายเพราะจำจำได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยวันต่อมามานั่งเรียนพระท่านะปอินดูเข้าก็ถามจำได้มากไหมที่ให้หนังสือไปให้ไปอ่านจำได้ที่สอนมาจำได้ไหนหลวงปู่ให้ฟังนิท่องได้อีกตามที่นวพรว่าเนี่ยท่องได้พูดได้ ท่านอาจารย์สวัยสมทานตอนนั้นอ่ะโอ้เด็กคนนี้มันหัวดีเลยให้มันท่องใหญ่เลยท่องไปท่้งมาแล้วบอกแล้วมากล่อมบอกอย่างเองนี่บวชแล้วจะดีมากสมองดีเนาะเออโปรงฝันให้บวชเราก็ไม่รู้หลับวชเป็นอะไรตอนนั้นอายุสิบเอสิบสองท่องไปก่อนแล้วอยากบวชจบเปอสี่แค่บวชยังไม่ทันจบเปอสี่เลยรักสูนนักทำตรีแค่นี้เลยนะท่องหมดเลยภาษาบาลีนี้จําได้หมด แล้วก็สอบได้ที่หนึ่งด้วยในโรงเรียนเนี่ยป .4 จบป .4 ได้ที่หนึ่งค mm hmm. รูใหญ่ก็บอก mm hmm. ไปเรียนมัธยมสมภารก็บอกบวชเออแบ่งกันเลยว่จะเอาทางไหนมีทติเป็นสองอ mm hmm. พ่อมเมฆก็มาที่วันดนะตอนจะจบมาถามว่าครูใหญ่เขาบอกให้ไปเรียนมัธยมสมัยโน้ตม .1 เนี่ยจบป .4 ก็เรียนม .1 ถึงป .8 แล้วเจ้าวาดก็ให้เรียนนักธรรม ก็เนิบไปเนิบมานะอยู่วัดชินซะแล้วเ ส, สบายแล้วกูหนะลวออยู่บ้านเนี่ยพ่อด่าอยู่เรื่อยเลยไม่อยู่กับหลวพ่อนท่านไม่ด่าเลยท่านำเดียวกูไม่เอาเรากลับไปเดี๋ยวพ่อดา่าพ่อโอหโหด่าเราอยู่กับสมภานี่แหละสบายดีท่านก็เลยแก้บวชก็เป็นเหตุให้บวชแล้วเรียนเรียนมาก็ถามต่อเรียนที่ไหนมันไปได้ดีเนาะ เขาบอกต้องไปเรียนที่จังหวัดวัดสุนรภูมิไปเรียนบาลรีเอ่อก็ไปเรียนกับเขาพอเรียนจบถามบอกจบวัดไปวัดสุนรภูมิแล้วมันจะได้ปริญญาไปเรียนที่ไหน mm. เขาบอกต้องไปเรียนมหารจุฬาที่กรุงเทพก็ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยจบปริญญาตรีได้เกียรตินิ ย, นยมอันดับหนึ่ง mm. เขาให้ทุนการศึกษาไปต่อแต่ทุนเขาไม่มากหรอก ตรงไปเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของขอ ง, ของมหาประเทศอินเดียนะมหาวิทยาลัยเดลีนะอยู่เมืองหลวงใช้ภาษาอังกฤษสอนเก่งมากแต่เรียนจบยากเหมือนจุฬาเนี่ยนะอันดับเขายังดีกว่าจุฬามาแล้วอีกเลยมหาวิทยาลัยเดลีเนี่ยนะมีทุนให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยเดลีปริญญาตรีปริญญาเอ่อปริจบปริญารร ญ, ารญาตรีไปต่อปริญญาโทก็ไปเรียนปริญญาโทสาขาแพทย์เรียนจบ ปริญญาโทรแล้วไม่มีทุนเรียนก็ไปถามหลวงพ่อผมเนี่ยอยากเป็นด็อกเตอร์หลวงพ่อวัดเล็งขิงเลยนะส่งผมหน่อยได้ไหมท่านบอกอยากเป็นด็อกเตอร์หรืออ่าให้เรียนส่งเรียนอีกจบด็อกเตอร์ปริญญาเองกลับมาก็มาใช้ทุนสอนอยู่ที่มหาจุฬาอยู่ได้ปีหนึ่งเขาบอกไปเป็นวระธรรมาทูตอเมริกาให้หน่อยส่งไปชิคาร์โบอีกนะขึ้นเครืบินเล ไปสอนฝรั่งอยู่ที่ชิคาโก้ไปสอนเด็กๆตัวเล็เกๆกว่าเราอีกนะสอนธรรมะตั้งแต่ป .1 ยันมหาวิทยาลั ย, ลยสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็เลยได้ประสบการณ์ไงโอสอนเด็กไทยกับเด็กฝรั่งนี่ไม่เหมือนกันนะแม้แต่เป็นลูกคนไทยแต่ไปเกิดอเมริกานี่เรียน พ, พูดภาษาไทยไม่เป็นเลยนะพูดพ่อแม่เป็นคนไทยลูก พูดไปเรียนที่โรงเรียนในอเมริกาพูดภาษาอังกฤษเวลาพระจะสอนธรรมะมาในปริศ น, นาวาอาทิตย์สอนภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องต้องสอนธรรมะเป็นภาษาติดก็ได้สอนเป็นภาษาอังกก็เห็นเด็กๆ เ, เนี่ยมันต่างกันนะทําไมเด็กอเมริกาเนี่ยมันเรียนได้ดีล่กูดโอ้ทำไมมันมันตั้งใจเรียนอะไรโอ้ที่นู่นเนี่ยนะ ทุกอย่างมันขร้อมหมดนะไม่ว่าจะเป็นสื่อจะเป็นอะไรครูบาอาจารย์เนี่ยในห้องเรียนนะสมมตินันเนกนเรียนเอารับกีคนน่ะเขารับประมาณ20สบคนมีครูประปกบกันเลยคนต่อคนนคนต่อสองคนสาคนครูเขาเยกยอะกว่าบ้านเราแล้วมีเขาไม่ต้องมีห้องภาษาังกิ้นะแต่ว่ามีวิทยาศาสตร์มีอะไรต่างเนี่ยยังดีหมดเราพวกเราจะเรียนไอ้เรื่อง ทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอสตไตไม่ะเพราใจ ย, ยากแต่เขาทำเป็นวิดีโอเป็นวิดีทัศไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ไอสไตไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างนี่เรียนง่ายหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหยสื่อทั้งหลายเนี่ยมันทำเป็นภาษาอังกฤษหมดพวก ว, วิทยาศาสตร์พวกคณิตศาสตร์เนี่ยนะตำราเป็นภาษาอังกฤษ แล้วเด็กที่เกิดในอเมริกาเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษมันเลยเรียนเร็วกว่าเราเราเนี่จะต้องมาเรียนภาษาอังกฤษก่อนนะถึงจะเก่งวิทยาศาสตร์น่ยสับแสงวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลไม่ว่าจะเป็นอะตอมนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนท้องเราไปเถอะไม่รู้เรื่องแต่เด็กอเมริกาเนี่ยมันพูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิด เรียนวิทยาศาสตร์มันก็ได้เปรียบเราสิได้เปรียบเราเพราะฉะนั้นพอมาเรียนเรียนเป็นพระเรียนภาษาบาลีไม่พอนะเลยเรียนภาษาอังกฤษด้วยเรียนตั้งแต่ไปนีนนะอยากรู้ตอนแรกเป็นมหาบปริญญาตอนจบประโยคสามอ่านภาษาบาลีช่องแต่พอไม่อ่านภาษาภในหนังสือพิมพ์เนี่ย เขาเขียนว่าเทคโนโลยีแต่อ่านว่าเทคโนโลยีไม่เอเอมันมาจากไหนฟุตบอลทำไมไปอ่านฟุตบอลมันเป็นภาษาอะไรเป็ น, นเนีนะเรียนภาษาบาลีแล้วอ่านพวกีฟังทีวีฟังวิทยุทำไมมันอ่านเพี้ยนไปหมดฟุตบอลมัน อ, อ, อ่านว่าฟุตบอลเทคโนโลยีอ่านว่าเทคโนโลยี มันเอาไปมันทำไมอ่านอย่างนั้นคนผู้ใหญ่เขาก็บอกว่านี่เป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงล่ะเป็นเด็กไม่รู้เรื่องเขาก็มาบอกนี่งไง A B C D นะในโรงเรียนภาคไม่มีหรอกเขาไม่สอนที่วัดสุรภูมเนี่ยเขาไม่สอนภาษาอังกฤษก็เที่ยวไปถามว่าใครรู้ภาษาอังกฤษบ้างช่วยสอนหน่อยเออไปถามเขานะเป็นเด็กอยากรู้อ่ะ ไปถามครับมีพระองค์หนึ่งเก่งภาษาอิงกฤพระรพองค์นี้ก็บอกว่าอยากเรียนก็ได้นี้อยากเรียนครับแต่ผมไม่สอนคนเดียวผมจะสอนสิบองค์ขึ้นไปสิบองค์ไปหาเพื่อนมาให้ได้สิบสิบรูปแล้วผมจะสอนอยากจะเรียนเนี่แล้วเก็บค่าเรียนไหมเก็บแต่ผมไม่มีนะผมไม่เรียน ไม่เป็นไรถ้าหามาได้สิบนีนะ่ยยกเว้นคนที่เศษเศษคือเนนไม่เก็บตังก็ไปถามเพื่อนๆว่าใครมีสตารจ์จ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษบ้างจ่ายค่าเรียนภาษาอังกฤษเ่ยพระเขาจะสอนเขาอ่านมากรอโพสทุกวันนะองค์นี้นะ่ยปกติอยู่วัดสระภูมิตอนนั้นน่ะชื่อมหาจำนงท่านก็ให้เราไปหาเป็นใอ ห, หน้าไปเป็นเนนตัวเล็กๆเลยนะไปทั้าขอพระมาเรียนกัน แล้วพระเขาก็จ่ายค่าเรียนเขามีสตังค์เนไม่มีสตังค์เรียนฟรีในฐานะไปหามาได้สิบเรียนฟรีปรากฏว่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะออกฟอร์ดเนี่ยนะหนังสือออกฟอร์ดเนี่ยนะป .5 สมัยนั้นเนี่ยดิสซิสเชนดิสซิสโบกกันนะเรียนไปกับเขาด้วยพอเรียนอ่านภาษาอังกฤษแล้วเขาถามว่าแล้วเรียนไปทําไมโอ้เรียนไปทําไมอ่ะเขาบอกว่า ถ้าจะให้ดีนะไปสอบเทียบสมัยก่อนก็มีสอบเทียบน้าดีไปสอบเทียบได้สมัยก่อนมันมีปเจ็ใช่ไหมก็ไปสอบเทียบปเจ็ดที่จังหวัดกระถางมีตัวจังหวัดด้วยแหละเรียนมหาปริญญาด้วยไปสอบเทียบเด็กปเจแล้วก็ไปสอบเทียบมสามมกอะไรต่างๆเนี่ยนะสมัยโน้นเลยนะเขามีสอบเทียบกันก็ไปสอบเทียบแล้วเอาปเจ็ดที่สอบเทียบเนี่ยไปเข้ามหาจุฬาไปเข้าเตรียมอุดม รู้สึกว่าจะไปเข้ามัธยมก่อนแล้วอุดมแล้วเข้ามหาวิทยาลัสรุปให้ฟังใน่างนี้ว่าภาษาอังกฤษที่พูดได้ปากษกถาเป็นภาษาอังกฤยนะวันนี้มีหมดเทศมาให้ด้วยเรื่องว่าสุจริตธรรมกรฐถาเทศทั่วประเทศพระธรรวันทุกประเทศพระวัทุกวันในประเทศไทยต้องตั้งเทพวัดสาจุนประเทศเมื่อเวัดสัจกจรเทพเนี่ยเป็นคนแตก แต่งแล้วภาษาไทยไม่พอแปลเป็นภาษาอังกฤษห้ด้วยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะบทเทศเนี่ยสุจริตธรรมกถาเนี่ยมีสองภาษาไปเทพในทั่วโลกเดี๋ยวจะมอบให้ครูเอาไว้อ่านนะแล้วเทศให้นักเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะนี่อย่างที่พระพรมันอีกเทศมีค้นถามโอ้ยทุกภาษาอังกฤษได้คล่องแทบขนาดนี้เนี่ย ไปเรียนมาจากโรงเรียนอะไรเซนไหนเขานื้อกระจบจากเซนจอนเซนคาเรียนก็ตอบเขาบอกเซนสัมจุนที่พูดภาษาตีเดียนะเรียนมาจากโรงเรียนวัด น, นี่แหละแล้วก็ไปเทศเดียทั่วโลกไปมาทั้งอเมริกายุโรป อ, ออสเตรเลียออสเตรเลียไปทั้งหมด น, นะไปไประชุมไปเนี่ยแสดงว่าอะไรรู้ไหมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย นกไม่มีขนคนไม่มีการศึกษามันขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้จําไว้เลยนะนักเรียนนกไม่มีขนบินไม่ได้นะบินอยู่ข้างบนน่ยนกยิ่งล้าคนไม่มีการศึกษาเนี่ยมันจะไปได้ทั่วโลกไหมละ่ะไปเรียนจบด็อกเตอร์เขาพอแล้วก็แต่งตําราเป็นอธิการบดนะีมหาวิทยา ล, าลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยลงก่แล้ววิทยาลัยเนี่ย เปิดรับถึงปริญญาเอกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลนะรัฐบาลรับรองมีสาขาอยู่40จังหวัดมีสาขาที่เป็นงจันทบุรีเนี่ยนะมีสาขา40จังหวัดจังหวัดสุพรรณเปิดอยู่ที่วัดป่ารับนักเรียนที่เป็นทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายจบมัธยมปลายเนี่ยไปเรียนกันเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนกันอยู่บางคนก็ไปเรียนรัชก า, านศาสตร์จากมหาจุฬา รัฐบาลรับรองเนเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเหมือนจุฬาแมธรรมศาสตร์นี่แหละแล้วรู้ไหมมีคนเรียนอยู่เท่าไหร่สอง0มื5 0ห้าพันสองห้าันี่หกสิบเปอร์ซ็นตเป็นพละอีก4ี่สิบเปอร์ซ็นตรเป็นคารวาสเรียนมหาจุฬาไม่ใช่จบง่ายๆ น, นะจบยากนะแต่ว่าเราจะสอนวิธีเรียนให้เรียนเก่งอย่างไรภาษาติอยังไง ตอนนี้ไม่ใช่สอนอยู่ในประเทศไทยนะไปเปิดสาขาอยู่ต่างประเทศหประเทศทุกปีจะต้องไปแจกปริญญาอยู่ที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้มีสาขามหาวิทาเปิดปริญญาตรีปริญญาโทให้คนเกาหลีเรียนเป็นภาษาเกาหลีเปิดปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ที่ไต้หวันให้คนจีนเรียนอยู่ที่นั่นกํำลังจะไปเปิดสาขาอยู่ฮ่องกง เปิดปริญญาตรีปริญญาโทอยู่ที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีสาขาเนะี่ยแล้วไปเปิดปริญญาเอกอยู่ที่ยุโรปฮังการีนี่เรียกว่ามีสาขาอยู่ทั่วเปนะ็นนัิการบดีญามานานก็แล้ว20สปีนะขสมัยจนเบื่อแล้วล่ะสร้างตั้งแต่ในทุกอย่างไม่มีอะไรเลยสร้างจนอย่างที่เห็นนะนั้นท่านหอออกทำให้ทุกอย่างเปิดไปทั่วโลกถามว่า แล้วที่สร้างมาได้อย่างนั้นเนี่ยมันมาจากไหนพัฒนาตัวเรา่อนพัฒนาความคิดพัฒนาคนแล้วคนที่จะพัฒนาเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีความอยากรู้ใฝ่รู้ใฝ่เหยนอยู่วัดสำจุนไปอยู่วัดสระภูมอ่านหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตนะนักเรียนทั้งหลาย อยากอยากจะทำอะไรอยากจะเก่งด้านไหนก็ตามอ่านให้มากๆอยากเก่งวิทยาศาสตร์อ่านวิทยาศาสตร์เยอะๆอยากเก่งภาษาตฤษอ่านภาษาติดอันอะไรเยอะๆอ่านแล้วมันเป็นยังไงอ่ะนั้นสือมันจะแนะนำเราบอกเราให้เป็นเด็กดีบอกเราให้ใยรู้ใยเรียนบอกเราว่าทั่วโลกมันเป็นอย่างไรทำให้อยากไปทั่วโลก เราอยู่ที่สัตว์ในโจมตรงนี้เนี่ยอยู่ไปวันวันหนึง่งเราไม่รู้หลับโลกภายนอกเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอ่านหนังสือในห้องสมุดเปิดโทรศัพท์เข้ามาเปิดโทรศัพท์เปิด iPad, iPhone หนังสือวิดีโอทั่วโลกมันนีหมดภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ในในยุคนักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปรอจักครูหรอก เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยสอนภาษาอังกฤษอยู่ทุกวันสอนภาษาอังกฤษออกเสียงที่ถูกต้อง d i ก t i o n a r y สับแสน้นังสือมีหมดแต่เสียดายในลุกนี้ไม่ว่าอยากจะเรียนวิทย์คณิตอังกฤษมีหมดทุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวพวกเราไม่ใช้ประโยชน์มีโทรศัพท์เอามาเชดกันมี iPad เอาไปเล่นเกมเสียโอกาสไปเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นอยากจะให้เอามาใช้เพื่อการศึกษาเวลาว่างเมื่ออะไรก็ตามเนะ่เล่นเป็นเล่นเรียนเป็นเรียนเวลาเรียนก็เรียนเวลาเล่นก็เล่นทำอะไรไม่ทำจริงแล้วพวกเธอจะรู้ว่าเมื่อเรียนจริงเนี่ยนะพอเราเรียนเก่งเนี่ยใครก็แย่งตัวเราเองแหละจะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ไหนเขาอยากจะให้เราถ้าเล่นกีฬาเก่ง เขาก็จะเอาเราไปเล่นกีฬาแต่ก็ให้เรียนเราเก่งดนตรีเขาก็ให้เราเก่งวิทย์เก่งคณิต เ, เขาให้เราหมดนั่นแหละและมีทุนการศึกษาด้วยกอยเยอสอเนี่ยนักเรียนสามารถเรียนถึงปริญญาเอกเลยแล้วเรียนแล้วไม่ได้อะไรล่ะผู้ใหญ่จะถามถามตัดถ้าไม่เรียนแล้วได้อะไรตัดอ้ยรับจ้างมีแค่นี้เองแต่ถ้าเรียนนะีประตูแห่งโอกาสมันเปิดกว้างตอนนี้เรายังไม่เห็นหรอก ว่าเรียนแล้วมันดียังไงแต่เมื่อเราเรียนจบเนี่ยมันจะมีช่องทางไปทำงานบริษัทเขาก็จะบอกว่าต้องรับบริบบ์นะเอาเราเข้าบริษัทได้ไม่ใช่ตัดป้อยเหมือนเดิมมีพวกมีผู้ใหญ่อยากจะฝากเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเข้าอาชีวะเข้าไหนเขาดูวุฒิเออเข้าได้มีทุนการศึกษาให้ช่องทางมันมีแต่ถ้าเราไม่มีกุญแจนะ เหมือ น, นเราจะเข้าประตูเนี่ยเรามีกุญแจไขบ้าะไม่มีเราก็ได้แต่มองเข้าไม่ได้แต่ถ้าเรามีกุญแจไขไขปุ๊บเราก็เข้าได้กุญแจไขเข้าประตูเนี่ยไม่ว่าจะบริษัทไม่ว่างานราชาการอาบอรตอหรือไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยคือประกาศนียบัตรเรียนให้มันจบม .6 ให้ได้คะแนนดีด แล้วลองดูซิว่าไอ้คนที่มันศบประมาทเราเนี่ยเรียนมันได้อะไรเสียเวลาตัดอ้อ ย, เ, ยเอาเข้าจริงแล้วเราได้ดีกว่าพวกนั้นีิเราไม่ต้องมาตัดอ้อยเราไปนั่งทำงานในออฟฟิศเราเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้อำนวยการเป็นอธิการบดีเป็นอธิบดีเยอะแยะหมดถ้าเรามีกุญแจไขเข้าไปสู่ที่ใหม่ๆแล้วถามว่า กุญแจมันอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้นั่นแหละเรียนตรงนี้ให้มาดีที่สุดเพราะว่าขอให้เรามาเรียนมเจือบอกว่าอย่างไรเยาว์วงว่าคนไม่รู้ว่าเราเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่พัวแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องเขาให้โอกาสเราเก่งจริงหรือเปล่าบางคนบอกเราอยู่บนนอกเขาไม่ให้เราไปในเมืองหลวง ไม่ให้ไปแสดงที่ไหนหรอกแน่นอนตอนที่เขายังไม่ให้แสดงเราฝุดไว้ก่อนสิไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเคยเห็นไหมพวกเราได้แล้วพัวจะตัดอ้อยกันอยู่ขวาจะได้เป็นไม้ผมทำด้วยนะแกแล้วก็มีพัวจะล้อมติงอยู่ในไร่อ้อยไม่ผูกไม่ไม่มีโอกาสเลยแต่ถ้ามีการศึกษาสิเราจะไปไหนล่ะฉะนั้นผมเจอจะบอกว่า อย่าห่วงว่าไคไม่รู้ว่าเราเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสรปดาหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านให้โอกาสท่านท่านเก่งและมีความสามารถที่เขาให้โอกาสหรือเปล่าใครได้ดูภาพยนตรน์หรืออ่านหนังสือเลื่อนจากโฮมเลสแปลว่าคนไร้บ้านอยู่ไปเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันดับหนึงของค็อปเทนของอเมริกา ไปได้ยังไงอ่ะเด็กผู้หญิงค็หนึ่งนะในอเมริกาเนี่ยพ่อแม่ติดยาเสพติดเรื่องจริงนะพ่อแม่ติดยาเสพติดแล้วลูกๆเป็นยังไงไปไปอยู่กับพ่อพ่อเนี่ยเป็นคนไม่มีงานในอเมริกาเขาเรียกโฮมเลสแปลว่าไร้บ้านที่อยู่อาศัยก็ไปอยู่ตามสถานพัก เขามีเวลาหน้าหนาวนี่จะไปนอนอยู่ตามใต้สะพานไม่ได้มนนหนาวตายนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีบ้านสําหรับพวกผมเดสพวกพวกเร่ร่อนเนี่ยทุกคนต้องไปอยู่ที่นั่นแล้วลุกขึ้นเขาจะให้ออกแต่ว่ากันคืนเนี่ยต้องไปนอนแล้วแล้วเขจะมีบ้านโมเดสสาหรับเด็กผู้หญิงด้วยพ่อก็เอาไปไว้ที่บ้านของผู้หญิงแล้วก็ตัวเองก็มานอนที่นี่ แล้วในที่สุดเนี่ยเด็กเนี่ยมันหายไปตั้งแต่จบม .3 น่ะโตเป็นสาวแล้วแม่ติดยาเสพติดตายพ่อเป็นโฮมเลสจบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อเล่ล่อนไปโน่นไปนี่ตามพ่อแต่วันหนึ่งไปเจอเพื่อนที่ติดยาเสพติดตัวเองก็จะติดยาเสพติดน่ะเพื่อนติดยาเสพติดชีพยาเข้าไปตายเด็กผู้หญิงคนนี้เลยกลัว พอกลัวขึ้นมาอยากเรียนหนังสือยากเรียนหนัง ส, นหนงสือเนี่ยก็ไปที่โรงเรียนการกุศลของศาสนาคริสต์เลยเพราะไม่มีสตังจ่ายไปสมัครเรียนทีนี้โรงเรียนเขาบ อ, อกว่าต้องเอาผู้ปกค ร, รองเนี่ยมายืนอยังผู้ปกค ร, รองคือพ่อไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเล่ร่อนไปที่ไหนก็ไม่รู้ก็ต้องไปตามพ่อมา ให้แต่งชุดสูตโกโก้หน่อยเขายืมไทยเขาไม่รู้ทำเป็นผู้ปกครองยืนยันว่ามีพอ่อแล้วก็ไปเรียนสมัครเรียนที่โรงเรียนคลิกเนี่ยโรงเรียนโรนงเรียนการกาสอนเนี่ยนะไม่ใช่โรงเรียนใหญ่โตอะไรหรอกแต่จริงๆทุกวันนี้อยู่ที่ไหนอยู่บ้าอนอาณาถาอาศัยแสงไฟอ่านหนังสือสีุ่่มเขาก็ปิดไฟแล้วก็ต้องมาอ่านตามเสาไฟฟ้าอา่อานอา่อานอ่านแล้วมาโรงเรียนสาย ครูเขาก็ว่าอีกบ้านเธออยู่ที่ไหนในที่สุดต้องรับสารภาพว่าหนูเป็นพวกเล่ร่อนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีสตันอาศัยพ่ออยู่พ่อไปเล่ร่อนไปครูเขาเห็นใจก็เลยให้มาเป็นลูกมือในห้องแหลกมาช่วยจัดดูนเช็นดนี่แล้วก็ให้ค่าอาหารบ้ากแกก็เลยพอมีสตันค่าอาหาร แล้วก็อาศัยบ้านอนาถาอยู่แต่ความที่เป็นเด็กรักเรียนเนีเรียนได้ที่หนึ่งเลยท็อปเลยนะคะแนนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สูงมากเขาก็เลยให้โอกาสเขาเรียกว่าเด็กอัจฉริยะเขาจะคัดเลือกแต่ละชั้นเนี่ยนะใครที่ได้เกรดเอหลายๆวิชาเนี่ยเป็นจีเนียสเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วก็ให้โอกาสเด็กอัจฉริยะเนี่ย ทำอะไรลูกไปทัศนศึกษาไปทัศนศึกษาที่ไหนล่ะบางเออโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาให้ไปทัศนะศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทวิศลิข์ถาเราเรียกภาษาไทยว่าฮาวานนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะมหาวิทยาลัยฮาวาดเนี่ยคือโรงเรียนที่เป็นมหาวิยทยาลัยที่พระบรมราชชนกคือพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่9้า ไปเรียนแพทย์มาที่นั่นโดยที่ไปเป็นนักเรียนแพทย์นะกรมเจ้าฟ้ากรมรหลวงสมฐานนัครินเนี่ยไปเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮารวิร์ดแล้วไปกับสมเด็จยา่าเป็นพยาบาลก็ไปเรียนพยาบาลอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮารวิร์ดทั้งสองท่านในชอบกันรักกันแต่งงานกันคลอดลูกออกมาคนที่คนสุดท้อง ไปคลอดที่โรงพยาบาลเมส์เออเบิร์นที่มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดนั่นแหละติดๆดกันน่นนะและผู้เด็กที่เกิดนนะชื่อภูมิพลมาเป็นพระจเจ้าแ่ดินรัชการที่9อาจารย์เนี่ยได้ไปเ็นโรงพยาบาลนั้นแลหลนะไปที่มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ดไปดูว่าเอในหลวงเราเนี่ยนะเกิดตรงไหนโรงพยาบาลไหนไปที่เมส์เออเบิร์นเขาก็ทำ ไอ้นิ้เทศการเนี่ย<อ>เขาทำนิทการรูปในหลวงเลยเนะี่ยตอนเป็นเด็ ก, เ ล, กเล็กเนี่ยนะเกิดที่นี่แล้วสมัยโน้นโรงพยาบาลรูปร่างหน้าตายอย่างนี้เขาแสดงนิทรศการแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันเป็นงทูมิพนออฟไทยแลนด์ปีที่ไปในหลวงยังไม่สิ้นน่ยยัยงไม่สวรรคตก็ไปเห็นแล้วก็เดินออกมาหน้าเมือนเขาเรียกว่า ที่ฮท้เวอร์เนี่ยที่เมอร์เมสันชุดเมสันชุดเมสันชุเส็เนี่ยมันมีสี่แยกสี่แยกนี้เขาตั้งชื่อสี่แยกว่าภูมิพลสแควร์คนอเมริกันเนี่ยนะตั้งชื่อภูมิพลสแควร์เป็นเกียรติเอาเป็นว่ามหาวิทยาลัยฮาววอร์นี่เข้ายากมากเรียนแพงมากแต่โรงเรียนการกุศลเนี่ยเขาจัดทัศนศึกษา พาเด็กนี่ย น, นะที่เรียนที่หนึ่งที่สองในชั้นเนี่ยไปเที่ยวมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดพอไปเที่ยวเห็นไหมเด็กผูก้หญิงคนที่ว่าเนี่ยเขาเรียนหมอปลายอยู่โอ้เข้าตื่นเต้นมากเลยไปเห็นโรงมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดไปอะไรต่างนี่ยนะอยากมาเรียนแล้วเกนินพอถามว่าถ้าลงค่าเรียนยยเท่าไหร่ด้วยกิจเท่าไหร่แพงที่สุดในอเมริกาไม่มีปัญญาหรอก โอ้ไม่มีปัญญาทำยังไงดีละ่ะก็มากลับมาเรียนมปลายจนจบในโรงเรียนการกวสลเนี่ยไปอ่านข่าวนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนิตยสารหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทส์เขามีทุนการศึกษาเอ่อนิตยสารไทยเนี่ยไอมักบอกเเรียกว่านักสือพิมพ์นิวยอร์กไทยเขามีทุนการศึกษาเกณเด็กที่อยากเกรียนที่ไหนก็ได้ในอเมริกาแต่ การสมัครขอทุนของนักเรียนเนี่ยแทนที่เขาจะเรียกสัมภาษณ์นะมาสอบแข่งขันนะเขาให้เขียนเรียงความมะว่าทําไมคุณอยากเรียนปริญญาที่มหาวิทยาลัยที่คุณอยากเรียนให้เขียนเป็นบทความมะเป็นภาษาอังกฤษความยาวไม่เกินเท่านั้นตอนนี้ให้เขียนเล่ามาัเด็กผู้หญิงคนนี้แกอยากได้ทุนเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แกก็เขียนเล่าตั้งแต่แกเป็นเด็กอนาถานะ่เล่ร่อนไปตามพ่อพ่อแม่ติดยาเสพติดเม่ตายต้องไปอยู่ตามโรงเรียนอนาถาแล้วก็ในสุดมาเรียนโรงเรียนการสอนจนจะจบม .6 แล้วอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือเกิดแต่ไม่มีทุนเรียนก็ขอทุนจากนิตยสาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทย นังซื้อพี่พออา่านประวัติเด็กคนนี้แล้วเนี่ยนะอยากให้ทุนมากก็เรียกมาสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จให้ทุนเธอไปเรียนเธอก็เรียนจนจบปริญญาตรีแล้วต่อปริญญาโทสายด้านจิตวิทยาด้านการให้คำปรึกษาฮอลลีวนะูดเนี่ยทราบเรื่องนี้จากหนังสือที่เธอเขียนเธอเขียนหนังสือเล่าประวัติของเธอนะ from, from Homeless to Harvard จากเป็นเด็กอนาถาจบปริญญาจากม ห, หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดฮอลลีวูดเห็นเข้าเอาไปสร้างเป็นภา พ, พยนตร์นะเป็นหนังฮอลลีวูดเอามาฉายในเมืองไทยก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปฮาร์วาร์ดก็ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยฮาร์าวาร์ดก็ไปทราบเรื่องนี้เข้าก็นำมาเล่าให้คมเธอฟังว่าพวกเราเนี่ยโชคดีกว่าเด็กคนนี้ตั้งหลายเท่าเรามีบ้านอยู่มีพ่อมี ย่าตายาญมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านอย่างโรงเรียนนี้แล้วสามารถเข้ามาเรียนตั้งแต่มอเน่แล้วทำไมไปคิดออกกลางคันบางคนนี่เรียนไปจบม .1 ม .2 ไม่ทะนายเ ล, ลออกแล้วไปตัดอ้อยถามหน่อยไอ้พวกที่ตัดอ้อยก่อนหน้าเรานี่อนาคตมันเป็นอย่างไรทางเลือกในชีวิตมันมีมากไหมไม่มีทำไมเขาเรียกคนจนเนี่ยนะ ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่าทุกขต า, าชูชกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมมห ah ok าทุกขตะโคษจนเป็นขอทานทุกขตะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าไปลำบากแล้วคนคนที่ไปไหนลำบากที่ไห น, น, น, นคือคนจนในภาษาบาลีเนี่ยไปไหนยังไงสมมติเราจะไปเชียงใหม่เนี่ยถ้าเราเป็นคนจนเนี่ยนักเรียนจะไปเชียงใหม่ ไปยังไงรู้ไหมนั่งรถนะนั่งรถสอแถวไปไปต่อบอขสกว่าจะถึงเชียงใหม่นี่โอ้โหหัวโยกหยัวคลอนนี่บางทีไม่มีสถานโบงร้อนไปไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรปัญหาอะไรโรดนรถโรดนที่นี่คือจอนแต่คนที่มีสถานเขาไปยังไงรู้ไหมเขานั่งรถถูอะรถติดแอร์เขานั่งเครื่องบินเขานั่งรถไฟติดแอร์นอนชั้นหนึ่ง แสดงว่าคนรวยคนมีสตางเนี่ยเขาเป็นสุขตะสุขจะกรนั้นว่าอะไรไปไหนมาไหนสบายไปไหนมาไหนสะดวกเราอยากจะไปอเมริกาไี่ไปยังไงนักเรียนเออเราจนอนะ่ะเราจะไปอเมริกานะดีไม่ดีเนี่ยคนสมัยนี้อยากไปอเมริกานะต้องไปรับจ้างทางานในเรือแบ่ของในเรือนั่งเรือไปอีกกี่วันกว่าจะถึงอเมริกา ะจะไปเคจะไปทางไหนอีกไปเครื่องบินเครื่องบินมันก็จะมีอะไรรนะู้ไเครื่องบินราคาถูก low cost นะไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยนะนั่งก่อนลำ บ, บากระ บ, บน่นไม่ได้หลับได้นอนแล้วเลิกเครื่องบินที่มันมีเรียกว่าสบายหน่อยการบินไทยอะ่ะมีอาหารเสิร์ฟ ม, มีอะไรต่างๆแล้วยังมี business c l a s อีกนะนอนปรับเกงนอนหลับมีภาพยนตร์ให้ดูมี first class อีก ให้เรานาัแล้วลงเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เครื่องบินลำเล็กๆนะเครื่องบินใหญ่ๆนะเตรียได้ขึ้นหรืออย่างเอเบสนะสองชั้นจุได้ห้าร้อคนจนะัมโบ้ว่ามันมีมันมีสองชั้นตรงหัวเนีจัมโบ้นะ um นะจุได้สี่ร้อคนว่าใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเครื่องบินเนี่ยไปอเมริกามันมีสองชั้นนงะของเอเบสเขาห้าร้อยคน ชั้นบนเป็นชั้นธุรกิจหมดเลยชั้นล่างเป็นชั้นอีโคโนมี่ชั้นธรรมดาเราเป็นคนจนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นชั้นบนหรอกชั้นล่างยังไม่ได้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นความจนมันทำให้เรามีโอกาสเลือกน้อยจะไปเดินไปไหนไปเที่าไหนก็ไม่มีโอกาสเดินทางก็ไปลำบากแต่คนมีสถานคนมีสถางเป็นยังไงเขามีโอกาสไปได้ทั่ว โ, โลก เรียกว่าคนมีสตานคือคนสุขะตะไปไหนสะดวกเราไม่มีสตารนเป็นทุกขะตะไปไหนลำบากแล้วอยากจะไปไหนสะดวกไปทอยังไงหาปัญญาใส่ตัวอยากจะมีเงินนักเรียนหาความรู้ใส่ตัวก่อนรับ์นี้มิไกรใครปัญญาไว้หาได้บ่อนานทั่วแคว้นแดนดินมีสิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียดครางบอกผ่า น, บ พ, านพบเลยคนที่มีความรู้รู้ไหมคนที่มีความรู้รวยที่สุดคนหนึ่งเนี่ยชื่อบิลเกตเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกจัดโดยนิทยยสาร f อ r t จู e สิบปีมาแล้วแกรวยอันดับหนึ่งของโลกแกทำอะไรรู้ไหมทำแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งไม่ได้ขาย ไม่ได้ขายเครื่องบินไม่ได้ขายรถยนต์แต่รวยกว่าพวกขายเครื่องบินอีกขายปัญญาขายสมองขายอะไรขายโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาชื่อบิลเกตเจ้าของบริษัท Microsoft เจ้าของบริษัท Microsoft ์นี่นะขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวยอันดับหน่งของโลกในปัจจุบันชื่อบิลเกตอีกคนหนึ่ง รวยไม่แพ้วิลเกตแต่เขาตายไปแล้วคนคนนั้นเนี่ยพูดแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยเพราะพ่อแม่เขาจนเขาชื่อสตีฟจ็อกส์แฟนสตีฟชื่อสตีฟจ็อ b ส์แล้วเนี่ยอาจจะพ้นหูเขาทำอะไรรู้ไหมเขาผลิต iPad, iPhone ที่เราอยากได้อยากใช้กันเนี่ย iPad, iPhone เนี่ยเขาทาเาผลิตมาได้อย่างไรอะ เครื่องคอมพิวเตอร์แม็กกินทอชปากฏว่าคุณสตีฟจ็อบด้วยนะเกิดจากพ่อแม่ที่เรียนไม่จบไม่ทันจบปริญญานะแม่แต่พ่อได้ได้เสียกันตอนที่เขากําลังเรียนอยู่เลยตั้งทันยังไม่ได้แต่งงานทีนี้จะทําแท้งเนี่ยเอาเด็กออกก็กลัวบาปก็เลยอยู่จนคลอดนะพ่อเสรดยังไม่ได้แต่งงานยังเรียนไม่จบ เลยยกเด็กเนี่ยให้กับคนที่เอาไปเลี้ยงเป็นรูปบุญธรรมสติ๊กจอมเนี่ยนะเป็นรูปบุญธรรมของพ่อแม่ที่ทํางานหาเช้ากินค่ําเก็บสตางค์ไว้เนี่ยเป็นกรรมกร น, นีแล้วก็มีข้อตกลงอันหนว่าพ่อแม่จริงเนี่ยให้กับพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยต้องส่งรูปเรียนให้จบปริญญาถึงจะยกลูกให้ เขาก็เลยจําใจเก็บตังค์นะเป็นกรรมกรยั น, นเทไนแอการะนะอยู่แคลิฟอร์เนียเก็บสตังค์ไว้ส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยริส ต, รตอนที่เรียนปริญญานะส่งสตีฟจ๊อบเรียนมหาวิทยาลัยริสรที่อเมริกาเป็นโรงเรียนที่เป็นมหาวิทยาลัยที่แพงมากๆสตีฟจ๊อบเรียนได้สองปีพ่อแมย่ยากจนเงินหมดสตีฟจบบอกสงสารพ่อแม่เหลือเกิน ผมไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากหรอกครับผมไม่เรียนล้ครับเรียนสองปีลาออกสตรีจอ็อบเนี่ลาออกจากมหาวิทยาลัยลิสแต่อยากเรียนแล้วเกินเรียนมาสองปีแล้วอยากเรียนต่อให้จบทํายังไงดีไปปรึก ษ, ษาเพื่อนไปปรึก ษ, ษาครูครูก็แนะนาว่าเธอเนี่ยถึงลาออก ก็ยังมาเรียนได้แต่ไม่ได้ปริญญาคือมาเข้าห้องเรียนเหมือนเพื่อนน่แหละใครจะไปรู้หรอแต่ไม่ได้มีเช็คชื่อไม่มีสตังค์จ่ายค่าเทอมเขาไม่ให้ปริญญาเธอแต่เธอได้ความรู้เอาไว้เอาครับผมอยากได้ความรู้แกก็ไปสิงอยู่ตางห้องต่างๆไปกับเพื่อนน่นนะที่เรียนมาปีหนึ่งปีสองขอขึ้นปีสาสติปจอมก็ไปเสนอหน้าเรียนไปเรียนกับเขา เรียนสองปีนะั้นจนจบปีสนะแต่ไม่ได้ปริญญาอพอแล้ ว, แ ล, วแล้วจะอยู่ที่ไหนล่ะในมหาวิทยาลัยเนี่ยแกไม่มีรถแกก็ต้องอยู่หอพักตอนพ่อแม่จ่ายค่าหอพักแกก็อยู่ในหอพักพอพ่อแม่ไม่มีปัญญาจ่ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้จ่ายค่าเธอไม่ได้จ่ายค่าหอพักแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับเพื่อนในหอพักที่เธออยู่นั่นแหละ พหอพักมาอยู่ได้สอคนใช่ไหมมีสอเตียงคนจ่ายค่าหอพักก็นอนคนละเตียงแกเองไม่มีป no ัญญาจ่ายนอนกับพื้นสตินจับนอนกับพื้นเน่ยเช็ดพื้นให้เพื่อนล้างห้องน้ําให้เพื่อนแล้วอยู่หอพักกับเพื่อนนอนกับนอนกับพื้นตัวเองเคยนอนเตกมเพราไม่มีปัญญาจ่ายนอนกับพื้นสตีนจับก็นอนกับพื้นแล้วก็ในค่าอาหารไม่มีปัญญาจ่ายอีกสถานไม่มี ทำยังไงรู้ไหมสตีฟจับอะสตีฟจับก็ไปเก็บขวดขวดโคกนี่นะเปบปซี่เนี่ยที่เขากินทิ้งเนี่ยเอาไปขายคืนให้บริษัทเขามีที่รับซื้อขวดขวดละห้าเซนหเซนเอาสตางค์หเซนเนี่ยไปซื้อขนมปังกินแล้วพอวันเสาร์วันอาทิตย์ไปโบสเพราะโบส์เขาเรียกอาหารฟรีไม่ได้อยากฟังเทศหรอกเหมือนเราไปกินข้าวไปลุกสิธ์ตามวัดเไปเถะ หลวงพ่อท่านไม่ว่าเราไปรักช้ า, ชาให้เขาได้อาหารเป็นลูกศิษย์ผู้หญิงก็ไปได้ผู้ชายก็ได้วันไปลามีงานวัดไปที่อเมริกาสตีฟจอบก็ไปไปโบสถไปกินอาหารฟรีสองปีเรียนจบได้ความรู้เพื่อนรักปริญญาโขได้ใส่มวกได้ครุยแต่ตัวเขาเองไม่ได้ปริญญาไปสมัครทํางานที่ไหนไปสมัครสมัครทางานที่บริษัททาตุ๊กตาคอมพิวเตอร์นะ ทำไมนั้นก็มมีตุ๊กตาเล่นเกมไป ท, กกาทําตุ๊กตาขเขาแล้วในบริษัทที่ตุ๊กตาเนี่ยเขาใส่คอมพิวเตอร์ให้มันเดินได้ให้มันพูดได้แกก็เลยเอาความคิดเรื่องคอมพิวเตอร์ในตุ๊กตาเนี่ยมาทําเครื่องคอมพิวเตอร์เองในโรงรถของพ่อตั้งชื่อว่าแอปเปิ้ลบริษัท Apple เป็นยี่ห้อแอปเปิ้ะนะจากโรรถของพ่อเนี่ยทำคอมพิวเตอร์ลองเอาไปเสนอก่อน ทำออกมาแล้วเนี่ยยังไม่มีเครื่องเลยนะแต่มันเป็นเขาเรียกว่า CPU มันสมองใช่ไหมแล้วก็มีจอมีอะไรต่างๆทําเป็นตัวอย่างสักเครื่องเดียวสมัยนะั้นคอมพิวเตอร์ยังไม่มีในโลกไอมันเป็นแต่คอมพิวเตอร์เมนเฟรมเครื่องใหญ่ๆอยู่ในร่มยังไม่มีคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าเดสก์ท็อปที่นั่งที่ตั้นโต๊นะเนี่ยแกก็ทําให้เล็กๆ เ, เนี่ยเป็น Apple นะีไปถามบริษัทต่งางๆเอาไหมครับ ผมมีโปรโตไทป์ต้นแบบถ้าอยากได้ผมสั่งผมนะครับเครื่องละกี่ครั้งหนึ่งองเหรียญสหรัฐสมมติหหรือ50เหรียญมันจำไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าท่านสั่งนะจ่ายเงินมาก่อนนะผมจะทําส่งให้ท่านโชคดีนะในงานแสดงสินค้าคอมพิวเตอร์มีคนสั่ง50เครื่องเพราะ50เครื่องแกก็ผลิตไปขายเขาเนี่ยเดินขายไปส่งแล้วมันมีคนบอกว่าโอ้ใช้ได้ดีนะ สั่งเพิ่มอีกเพราะสั่งเพิ่มแกก็ทำขายทีนี้ขายดิบขายดีตั้งบริษัท Apple เนี่ยแล้วผลิต Macintosh ตอนหลังสตีฟจ็อบส์ก็มาผลิต iPod ดฟังดนตรี iPhone โทรศัพท์ทุกวันนี้แล้วก็ iPad เริ่มมาจากเรียนไม่จบนี่แหละแต่ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเรียนนะอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสพ่อแม่ไม่มีปัญญายส่ง ยังไปสิงอยู่ตามหอพักอาศัยเรียนเขาเล่าเรื่องนี้สติจำเล่าเรื่องนี้เองนะวันที่ไปรับปริญญากิติมศักดิ์ปริญญาเอกกิติมศักดิเ์เขาก็เล่าให้ฟังเลยผมเนี่ยนะครับเรียนไม่จบปริญญาเลยแต่ไม่ที่ไม่จบเราไม่ใช่ไม่อยากเรียนแต่เขาไม่มีสถันสมผมพ่อแม่ไม่มีสถานสงวันนี้ ผมได้ปริญญาเอกดีใจมากกิติมศักดิ์เป็นของยกให้ฟรีเลยนะถือว่าทํางานบริษัทได้ iPad iPhone ที่ยิ่งกว่าเรียนปริญญาของยกปริญญากิติมศักดิ์เราเรียกวันดุสรีบันี้กิติมศักดิ์สตีฟจ๊อบก็เลยเล่าประวัติตัวเองให้ฟังว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยผมเรียนไม่จบเพราะฉะนั้นพวกคนหนุ่มสาวมีโอกาสเรียนเรียนไปเถอะมีโอกาสเรียนจนจบมหาวิทยาลัยเรียนไปอย่าเป็นเหมือนผมนี่เขาเตือนพวกเราไว้ เพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหลายเราเข้ามาชั้นหมหนึ่งแล้วเนี่ยเรียนให้จบมหกแล้วไขศบประมาทเราว่าเรียนแล้วมันได้อะไรให้มาดูตอนเราจบมหกว่าเราจะไปเรียนต่อที่ไหนมีหรือทำงานที่ไหนดีกว่าพวกที่ออกคางคันและเป็นลบากลำบนอย่างไรมีความรู้มันมีโอกาสมันไปได้ทั่วโลกเหมือนกับนกมีขนจึงบินสูงคนมีการศึกษา ไปก็ไหนไปที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจดจำวันนี้ไว้นะว่าอยากไปทั่วโลกอยากไปเรียนที่ไหนไม่มีทุนการศึกษาบอกลุงพี่เนี่ยเจ้าวาดวัดสัโจมเนี่ยนะบอกเดี๋ยวมาให้มาบอกผมอธิการบดีปีหนๆเนี่ยนะแจ ก, กทุนการศึกษาพระพรมบดีเนี่ยที่ไม่มีทุนเรียนเนี่ยนะปีนี้แจ ก, กไปประมาณสี่ล้านบาท ที่มหาจุลานะเป็นนิสิตมาจากทั่วโลกนะเป็นพันโลกตั้งชื่อของทุนรัพรงพรมบดีพวกนักเรียนคารวะมาขอทุนก็มีไปที่เชียงใหม่มีวิทยาเขตเชียงใหม่ไปสร้างโรงเรียนไปสร้างให้ชาวเขาเรียนมีทุนการศึกษาด้วยนะทุกปีนะเอาเด็กชาวเขานี่ที่ไม่มีโรงเรียนเรียนอย่างพวกเธอนะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาที่เชียงใหม่เป็นเด็กชาวเขานะปีละสี่สิคนคนหนึ่งๆเนี่ยต้องมีทุนเรียนแล้วอธิการบดีให้เขาเรียนฟรีเรียนฟรีได้ยังไงไปไ ป, ไปต่างประเทศนะไปเทศทีเดียวนะบอกญาติโยมต่างประเทศตั้งทุนการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาคนละเท่านี้เทนี้บาททุกวันนี้เนี่ยดูแลเด็กชาวเขาปีละ ประมาณปีหนึ่งปี2ปี3ามร้อยหกสิคนนะเรียนปริญญาตรีมหาจุฬาเนี่ยแล้วชื่นใจนะชาวเขาไม่มีโอกาสนะก็เรียนมูเสรือแมวนี่นะประกาศไปยนี่นะขอให้มาเรียนเขตั้งใจเรียนนะจนโตปริญญาโทรปริญญาเอกก็มีแล้วนะจบปริญญาเอกก็มีส่งไปเรียนนะจบปริญญาตรีส่งไปเรียนปริญาโทปริญญาเอกแต่ปริญารญาโทที่ไต้หวันก็เยอะ เพราะอะไรเขาไม่ได้ชาวเขาไงเขาพูดภาษาจีนเนเพราะฉะนั้นเขาเมื่อเขาพูดภาษาจีนในโอกาสเขาก็ไปเรียนไปเรียนถึงโน่นไต้หวันไปเรียนที่จีนนี่ท่านทั้งหลายท่า น, นชาวเขาเนี่ยเขาก็ไปในทั่วโลกเพราะอะไรเพราะการศึกษาเพราะฉะนั้นอย่าไปบน่นอย่าไปบอกนะไม่มีทุนเรียนถ้าไม่มีทุนจริงๆก็บอกขอวัดสำจุนก็นหนยวัดสัจจโจรก็นหนยวัดอรจะดีก็นหนถ้าจะเรียนใบยาเป็นขอพระพรบดิีกันหน่อให้ทุนเด็กเรียน ปริญญาไปเยอะแยะเพราะที่เราเรียนมาได้ก็เพราะหลวงพอ่อวัดเล็งิงท่านให้ให้ทุนเรียนนี้เองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครอยากเรียนส่งเรียนหมดนะบอกกับพวกเราไว้และถ้าเรียนมหาจุลานะปริญญาตรีเขาเปิดให้เด็กคารวะไปเรียนนะีรับรองเหมือนสักมีสัตใ์สิ่งเหมือนกันรัฐศาสนารัฐศาสตร์บรรัณฑิตอะไรต่างๆเนี่ยมีห้องเรียนแบบดีกลำลับสร้างนะเจาา้าคณะเพอร์ซีประจันกำรรลังเรียหลายโยม ไปสร้างอาคารเรียนใหญ่โตนาะให้บอกพ่อแม่ให้ไปเชิญเหล่สั้นนะเวลาถึงเวลาพวกเราจะได้ไปเรียนฟรีเนี่ยจังหวัดอำเภอตอจะดีท่านจะได้จาไว้เพราะเราช่วยกันบริจาคสร้างวันนี้ก็มาพบกับพวกเราทุกคนเพื่อให้กําลังใจว่าจงใฝ่รู้อยากเรียนอยากรู้มีโอกาสเมื่อไหร่เป็นเรียนเรียนในห้องไม่ได้เรียนตามระบบไปได้นอกห้องเรียนก็เรียนตามอัธยาศัยไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มไปเรียน ดนตรีเพิ่มไปเรียนในต่างเด็ในเมืองเนี่ยเขามีโอกาสเยอะไปติวภาษาอังกฤษเราก็ไม่ต้องหรอกไปเรียนจากคุณครูกะไรได้สอนภาษาอังกฤษเพิ่มกับเราไมได้จะเป็นไรไปละและคุณครู Google ด้วยใช่ไหมก o เกิลเนี่ยเขาก็สอนภาษาอังกฤษกับเรบเปิดดูอย่าไปแชทกันอย่างเดียวใช้ให้มันเป็นประโยชน์อย่างนี้เราก็จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาก็ขอให้กําลังใจนักเรียนโรงเรียนสากรโจมโสพลวิทยาทุกคน ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและให้นึกถึงคนยังในอเมริกาเด็กจนจักยังเรียนจบมหาลัยฮาร์วาร์ดคนสตีฟจ็อบส์โดนไล่ออกหรือว่าต้องลาออกการทันยันได้ผลิตสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้โอกาสมันมีสำหรับคนที่มีการศึกษาดังนั้นจึงมีคำกลอนว่ารู้อะไรรู้ให้จริงเพียงสิ่งเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกลนถึงคนจนคงได้คงได้ดีก็ขอฝากพวกเรานักเรียนและคนครูผู้ประกอบทุกคนแต่เพียนเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำ น, นาจในคุณประสีแลตัตรัยและบารมีธรรมของหลวงพ่อพระครูโสพลหลวงพ่อเหลือผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้ จงมารวมกันเป็นตบาปเป็นเดชชาเป็นพละวัตปัจจัยอำนยวยวยพรให้พวกเราทุกคนทั้นคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวรอบครัวการงานและการศึกษาโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันายทั้งมวลเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนันสุ ข, ขาวภระปฏิทานธรรมสา ร, รสมบัติธนสา ร, รสมบัติ ปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้ น, นั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนตลอดกาลลนนา